พราหม์เก่าฮินดูเก่าที่มันล่มหายตายจากไปแิ้อิจฉาศาสนาเป็นเทวดามิจฉาทิฐิเพราะฉะนั้นใครที่เข้าไปมีส่วนกอบกู้ศาสนาหรือทําให้ศาสนาพุทธโดดเด่นขึ้นมาพวกนี้จะอิจฉาและเข้ามาขัดขวางทําให้เป็นไปด้วยประการอย่างนั้นอย่างนี้ใครที่มีช่องทาง อ, อุปสงมันก็ทําได้ ใครที่ไม่มีช่องทางอาุศนมันก็ทําไม่ได้แล้วแต่คนนั้นพวกนี้ไม่ไม่ใช่มานมาจากสถาบันของทาวสวะตติมานและไอเรื่องนี้นะอย่าว่าแต่เมืองแขกเลยแม้แต่เมืองไทยยังมีนะฮะอันนี้ผมเล่าประวัติทิ่งที่เคยเห็นมาเทียบให้ฟังว่าเอาอย่างงี้ก็แล้วกันว่าคนในเมืองไทยเราก็มีาศาสนาอื่นแล้วมีาศาสนานี่เราอยู่คู่ คนไทยบางกลุ่มเนี่ยมานานเหมือนกันนานแล้วก็มีคนหนึ่งที่เขานับถือศาสนานั้นมาแต่บรรพบุรุษแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเขาก็มาศึกษาธรรมาศึกษาวิธ ร, รมที่วัดโพสมัยก่อนแล้วก็มาเริ่มใสแหบญาติพี่น้องมาร่ำเรียนหัวใจเขามาทางนี้แล้วนะฮะ นี่นี่สมัยวัดโพแต่ว่าไอปัจจุบันที่มีอีกคนหนึ่งอีกสมัยที่มาสอนที่ยูลาแต่รายนี้ไม่ต้องเล่าอนี้พอเขาเ ข, าเข้ามาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาถูกขัดขวางจากผีบรรพบุรุษกระทาเอาด้วยประการต่างๆเพื่อไม่ให้มานับถือศาสนาพุดธ แล้วก็ใครที่เข้าไปอมีส่วนชักจูงชักนํามาเขาก็เล่นงานคนคนนั้นด้วยซึ่งเมื่อก่อนเนั้นก็ไม่รู้เพราะอะไรนึงเกิดเรื่องเกิดราวแปลกประหลาดอย่างนี้ในชุดตอนหลังก็มาสืบสวนพิจารณาคดีครับดูก็ได้ความอย่างนี้ว่าเขาไม่อยากให้เปลี่ยนาศาสนาไม่อยากให้ให้ออ่ลูกหลานว่างเครือเขาเนี่ยต้องมาเข้าศาสนาก็เลยทําการกัดขวาง ด้วยวิธีการที่เขาสามารถจะทำได้นี่คือที่ผมเห็นมากระตาผมเองสักสิบห้าปีมาแล้วทํางพอไปที่นั่นเนี่ยมันก็เลยคละกันอยู่เทวดาพุทธก็มีเทวดาฮินดูก็มีพรามเก่าพวกนี้เขาแย่งชิงกันเหมือนกันก็เหมือนไอ้พนึกในนึกว่าเออพวกนี้มันก็พวก ไอ้ไอ้แขกคินดูนะมันเป็นมนุษย์แล้วมานยังขัดขวางอิดชา้าทำลายศาสนาพุทธไม่พอตายไปแล้วมยังขวางยังทำหน้าที่กีจการท่านน้นท่านนี้เราจึงต้องมีวิธีที่จะไปต่อสู้กับเขาว่าเออถ้าไปเจออย่างเนี้ยเราจะสร้างภูมิุ้มกันทำยังไงกับเขา<ม>เพื่อไม่ให้มาขัดคอขัดขวางเพราะฉะนั้น อะไรอะไรมันถึงไม่ได้เป็นไปตามใจของเทวดาพุทธและมนุษย์พุทธได้ตามใจชอบสําหรับในดินแดนที่เป็นดินแดนแห่งเสรีภาพทางศาสนาและคนส่วนมากเป็นอย่างท่านสันชัยอาจารย์สารีบุตรพูดมองก็ไปอยู่ข้างโน้นซะมากข้างเราก็น้อยตัวลงน้อยตัวลงอะไรอะไรมันก็เลยติดขัดกันไปเสียหมด พวกที่ขึ้นไปสูงเสทีเดียวคนที่ดีไม่จริงไม่ดีจริงถึงระดับนั้นถ้าถ้าทาไม่ไปนะเขาก็ไม่ลงมาให้เกิดเหตุอัศจรรย์อย่างนี้อย่างนี้ถ้ามีคนมีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ไปพวกนานเขาก็ลงมามาหมายถึงว่านางวิสาขามาจากชั้นนิมมานนราดี <c oughs> นางอุตรามาจากชั้นปริิมิตละวสวดีอะไรอย่างนี้มันก็แล้วแตะ่คนไปด้อเอาล่ะคร น, นี้ว่าถึงประวัติท่านต่อไปว่า <c oughs> เมื่อท่านไปบวชอยู่เนี่ยท่านก็เป็นองค์หนึ่งที่ถูกมานกวนนะนี่ตรงนี้นะมีเกล็ดประวัติที่ควรจะจดจําเป็นเชิงหลักฐานพิเศษประการหนึ่งด้วยว่าโดยธรรมดาเนี่ย เวลาที่คนทำกรรมฐานเมื่อจะ <c oughs> ไปคุยกับใครเนี่ยมักจะรักษาสะอาดสามั ญ, ญญาว่าไม่ติดสัมั ญ, ญญาที่ว่าเมื่อนิ่งก็รู้ว่านิ่งเมื่อพูดก็รู้ว่าพูดเมื่อตายก็รู้ว่าตายเมื่อดื่มกินก็รู้ดื่มกินเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อพูดอันนี้น่ะค่อนข้างจะเป็นของทํามญถึงขนาดว่า ใน <c oughs> เรื่องของการคุกครีถึงกระถือว่าการพูดเป็นเครื่องทําลายกรรมฐานเลยทีเดียวอันนี้ก็ดังที่เป็นลูกเป็นที่รู้กันการคุกครีด้วยการพูดก็ทําลายกรรมฐานดังใครที่สามารถจะทําลงกรรมฐานไว้ได้ด้วยการพูดคนนั้นแน่มากแน่มากหมายถึงแน่โดยสติ แล้วก็การพูดนี่มันมีทั้งพูดในลักษณะขัดคอไอ้พูดถูกคอก็มันก็พุ้งไปแบบไอ้พูดขัดคอนมันยั่โทสะมารมาพูดขัดคอและท่านรามาเนยะท่านโต้ตอบกามาปากก็พูดไปแต่สติท่านไม่หลุดในคัมภีร์บอกว่าในขณะที่ท่านกล่าวถ้อยคําโต้ตอบมารเนี่ยจิตของท่านไม่ปล่อยกรรมาฐาน โตไปจเจริญกรรมฐานไปอ่าไอ้ตรงนี้ผมแบ่งอธิบายให้ชัดอีกนิดนึงว่าเวลาโต้ตอบแล้วไม่ปล่อยกรรมฐานเนี่ยกรณีของท่านท่านมีกรรมฐานหลักที่ท่านทําอยู่แล้วก็เวลาพูดเนี่ยเป็นอิยาบทย่อยอันหนึ่งและคําว่าไม่ปล่อยหมายความว่า เมื่อท่านพูดท่านพูดด้วยสติซึ่งเป็นกรรมฐานหลองและเมื่อพูดแล้วท่านก็แว้งใจกลับมากำหนด ก, กรรมฐานและเมื่อพูดถ้อยคำต่อไปเนื้อความต่อไปก็พูดด้วยสติอย่างนี้เรียกว่าถึงตอนพูดจะปล่อยกรรมฐานหลักแต่สิ่งที่ไม่ปล่อยคือสติอยู่เพียงแต่เปลี่ยนอารมณ์ไปเมื่อเปลี่ยนไปอย่างนี้ ก็หมายคําว่าอารมณ์ใหม่อนุเคราะห์อารมณ์มหลักคือกรรมฐานหลักโดยมีสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวเชื่อคือพอหยุดพูดหยุดนีไม่ได้ไมาก็เลิกพูดเลยทีเดียวนะหมายหยุดเป็นจังหวะจังหวะก็มากําหนดกรรมฐานอย่างนี้อถ้าเป็นกรณีของคนที่ทําทําสัมปชัญญะบัพ เป็นกรรมฐานหลักถ้าพวกนี้เน่ยเห็นจะง่ายหน่อยง่ายหน่อยก็หมายความว่าเวลาเดินครูเข้าเหยียดออกรูก้เวลาพูดก็รู้ว่าพูดสัมัชัญญะบัพเนี่ยอารมณ์จะผัดเปลี่ยนไปตามประเด็นของพฤติกรรมย่อยๆแต่ว่าสัมัชัญญาบัพเนี่ยอารมณ์บางอย่างทํายากอารมณ์บางอย่างทําง่ายอย่างเช่นไอเรื่องพูดเนี่ย คนทําสัมปชัญญะบับถ้าเลือกได้ก็เลือกที่จะไม่ต้องพูดพูดเท่าที่จําเป็นพอพูดเนี่ยมันแสแลงแต่เมื่อจําเป็นต้องพูดก็ให้พูดโดยสติอันนี้ผมบอกความหมายในทางปฏิบัติของท่านอย่างนี้นะก็เลยเพราะท่านโต้อตอบกรรมานยังไม่ปล่อยกรรมฐานเนี่ยยังทํากรรมฐาน คู่กันไปซะเลยจึงบรรลุเป็นพระอรหันในขณะที่กล่าวเนื้อความกรรมนั่นเองนี้แหละครับที่เรียกว่าบรรลุในขณะพูดบรรลุในขณะพูดบรรลุด้วยการพูดคือไอ้ตรงนี้นะ่ะเราจะบอกว่าท่านบรรลุกับกรมมฐานหลักหรือกับไม่ชัญญะคือการพูดมันก็ไม่เป็นที่ยัดหรอกนะ แต่หมายว่าขณะพูดอยู่นั่นแหละตอนนั้นอาจจะพูดแล้วก็วูบลงไปในขณะพูดบรรลุตอนนั้นไม่ได้กำขนดขณะจิตนั้นไม่ได้กำหนดกรรมฐานหลักอยู่ก็ได้หรืออาจจะคละคละกันไปในระหว่างนั้นก็ได้นี้ท่านไม่ได้พูดแยกแยะไว้เราก็บอกเป็นที่แน่ชัดไม่ได้ <c oughs> ลองฟังคำพูดที่ท่านพูดกับมานดูสักหน่อยที่ว่าทาให้ท่านบรรลุเนี่ย ท่านไม่ได้พูดว่ายุบหนอพองหนอไม่ได้พูดว่าเกิดดับเกิดดับาปากพูดเกิดคำพูดขายคำดับว่าอย่างนั้นท่านพูดว่าอย่างนี้ครับดูก่อนมานบุคคลบางจำพวกย่อมสะดุ้งกลัวเพราะเสียงคำรามของท่านและเสียงคำรามแห่งเทวดา แต่จิตของเราไม่หวั่นไหวเพราะเสียงเหล่านั้นเพราะจิตของเรายินดีในความเป็นผู้เดียวคำว่าในความเป็นผู้เดียวเนี่ยผู้เดียวคือผู้เดียวในกรรมฐานผู้เดียวมีความหมายตื้นลึกต่างกันตามพุทธพจน์โดยตืวเก็คืออยู่คนเดียวและอยู่คนเดียวในทางลึกหมายถึงมีแต่กรรมฐานกับจิตของเราเท่านั้นไม่มีอย่างอื่น เพราะฉะนั้นกรณีเนี่ยหมายว่าถึงจะมีมารแต่มารเมื่อถูกหลอมก็อย่างเป็นเนื้อสภาวะธรรมแล้วก็ไม่มีมารใช่ไหะ ม, มารด่าเสียงด่านั้นก็เป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์กรมฐานตาเห็นรูปมาร น, นั่นก็เป็นอารมณ์กมฐานอะไรเข้ามาจิตมันรับอารมณ์ในตีอารมณ์มีแต่สติกับอา ร, รมณ์ฐานเท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นสํานวนอย่างนี้เนะ่ะ พระอาหารหันต์พูดหลายองค์แล้วถึงบางทีเดินสวนกระคนก็ไม่เห็นว่ามีคนก็เพราะว่าจับสภาวะที่เป็นอารมณ์ประมติได้นั่นเองท่านจึงเน้นคำว่าท่านจึงบรรลุเป็นพระอาหารหันตะขีนาศพในขณะกล่าวคาถาอยู่กล่าวเนื้อความนั้นอยู่เพราะจิตท่านไม่ปล่อยกรรมฐาน ในเพราะการกล่าวนั้นเราก็เลยได้คติว่าถ้าเราได้ยินเสียงรบกวนหรือจะต้องพูดกับใครความจริงคตินี้ก็ไม่ใช่ของแปลกใหม่แต่เป็นของที่บางทีเรามักจะบเผลอไม่ได้ทําทําไม่ได้คือว่าเมื่อมีเสียงรบกวนก็ดีดูเฉพาะเสียงคนเนี่ยนะเรา ก็ควรจะกำหนดกำหนดผู้ ก, กำหนดได้ยินนะนะ <c oughs> องค์ที่ห้าสิบต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบชื่อว่าท่านวิมลหรือวิมละท่านวิมละนั้นเป็นชาวเมืองาราชเกลืท่านวิมละเนี่ยชีวิตของท่านสมกับชื่อท่านเลยและน่าน่าสนใจมากทีเดียวในทาง การทำบุญกุศลบางประการ <c oughs> มลละเนี่ยแปลว่ามลทินคือสิ่งแปลกเปื้อนวิแปลว่าไม่แปลกเปื้อนไม่มีมลทินจึงชื่อว่าวิมลล ะ, ะตัวท่านเองเป็นชาวราชครึกเกิดในสกุลที่ร่ำรวยอีกเช่นเดียวกันแต่ว่าท่านมีบุญพิเศษประการหนึ่งเสมอด้วยพระโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์เนี่ยเมื่อประสูตรคลอดจาก พระคันของพุทธมารดานั้นไม่มีมนทินไม่มีรับพระมลทินเปรียบแปลกเปลือนเหมือนอย่างคนธรรมดาทั่วไปฉันใดท่านผู้นี้นะ่ะมีบุญเสมอด้วยพระพุทธศัสนในข้อนี้ที่ต้องแน่นว่าในข้อนี้คือไม่ใช่ในข้ออื่นด้วยคือท่านบอกว่าเมื่ออยู่ในคันมารดาไม่แปลกเปลื้อครับพมณทินดุดน้ำ <c oughs> ที่กริ่งอยู่บนใบบัวแล้วก็เวลาคลอดก็ไม่แลกเปื้อนรับพระมลทินเหมือนพระโพธิสัตว์เราเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเด็กคนไหนเป็นอย่างนี้ mm. <laughs> จะเว้นแต่เด็กหลอดแก้วมั้งเด็กหลอดแก้วเด็กอาจจะต้องเป็นดีกันนะฮะเอาเป็นว่าเกิดแบบชาลาผู้ช้าเนี่ยต้องแตกเปื้อน เว้นแต่มีบุญพิเศษเหมือนพระพุทธเจ้าและท่านวิมละนะ้นมีบุญพิเศษกันนี้ถ้าถามว่าท่านได้ทำอะไรไว้จึงเป็นอย่างนี้บุปกรรมของท่านได้เล่าว่าในสมัยพระพุทธกัสปา ค, คือพุทธเจ้าองค์ก่อนนี่เองท่านทำความอดีฐานว่าขอเป็นผู้มีร่างกายบริสุทธิ์ปราศจากมนทิน บริสุทธิ์เนี่ยหมายว่าเกิดขึ้นมาก็มีผิวผิวพันธ์บริสุทธิ์ปราศจากมลทินกลิ่นเศ้าหมองโสโปลกต่างๆฝฟาฝ่าคีมาแมลงวันต่างๆนี่นะท่านไม่มีแล้วก็เมื่อท่านเกิดก็ไม่มีมลทินคือไม่มีตั้งแต่เกิดเลยทีเดียวตอนที่ท่านอธิษฐานนี่ท่านก็ ในนั้นก็มองไม่ออกว่าท่านปรารถนาถึงขนาดว่าจะคลอดอย่างไม่มีมณทินเหมืันกับคนอื่นเขาแต่เพราะว่าท่านได้ปรารถนาอย่างนี้แล้วได้ทำบุญไว้รุนแรงพอมากพอจึงทําให้ท่านได้เกินกว่าที่ท่านปรารถนาเอาไว้เพราะว่าไอ้เรื่องผิวพรรณวันหน้าคนเนี่ยมีความบริสุทธิ์ผุดผ่าแตกต่างกันที่บริสุทธิ์ผุดผาาก็บริสุทธิ์ผุดผ่าจะจนเหลือเชื่อจริงๆที่ ไม่บริสุทธิ์ผุดผ่าก็ไม่บริสุทธิ์ผุดผาาซึ่งไม่รู้จะอธิบายกันว่ายัางไงบางคนเป็นลูกศ ส, สีศา ส, สาจะไล่เจนาได้สามปพ่อเป็นอย่างแม่เป็นอย่างทำอะไรไว้ถ้าถามเนะยท่านเล่าว่าความปรารถนาของท่านเนี่ยเป็นความปรารถนาที่ท่านทำบุญเอาไว้คือในสมัยพุทธกาลปะนั้นท่านรถ น้ำต้นโพด้วยน้ำหอมไม่รว้ลดแล้วต้นโพจะตายหรือเแต่ก็คงจะลดเป็นเชิงบูชานะไม่ได้หรือจะอีกทีก็น้ําหอมที่เป็นน้ําหอมสมัยก่อนไม่ใช่น้ําหอมวิทยาศาสตร์อานไม่ตายก็ได้นะเราก็ไม่รู้น้ําหอมอะไรแต่รู้ว่าไม่ใช่น้ําหอมวิทยาศาสตร์ก็ถ้าใคร ประสงค์อย่างนี้ก็ลองเอาน้ำหอมไปลดต้นโพหรือปูชนยยสถานหรือพรมพระบรมสารีริกธาตุก็ได้นี่นี่อันหนึ่งนี่เป็นบุญส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือซักฟอกอาสนะที่เขาปูราดเอาไว้โดยสมมุติว่าเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าตามเจดีหรือตามเนินโพ ก็ไปซักอาจจะเป็นอาสนะหรือเป็นเพดานที่ดาดด้วยาพูดง่ายกว่าตรงนี้คือทำความสะอาดสิ่งของบูชาพระพุทธเจ้าที่อยู่ในในข่ายคืออันนี้นี่ท่านได้ทำไว้อีกอันหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทำความสะอาดซักฟอกสมณะบริขารสมณะบริขาร ก็คือบริขารไม่ว่าจะเป็นบาทจีวรนิสีธนาสันทัดของประสงค์องค์เจ้าหรือว่าจริงแม่ผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งข้อนี้นะสรุปแล้วก็ว่าการทําความทําบุญด้วยการทําความสะอาดเพื่อเป็นการบูชาเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ผู้ปฏิบัติธรรมก็ดีทําให้มีผลทําให้มีผิวพรรณสะอาด ผมเคยปล่อยไปายายออกวิทยุ <c oughs> เรื่องหนึ่งนานแล้วว่าคือพูดสอนธรรมะแก่เด็กมือขนองไอทีไปเขียนอะไรแต่ไรตามมานหนังเนี่ยนะตามตู้โทรศัพท์แล้วก็สิ่งที่ผมยกขึ้นมาเป็นตำนองขู่นะจริงๆก็ไม่ยช่ขูหรอกว่าเนี่ยจะทำให้ มาเกิดวิบากกรรมทําให้เราไม่สวยมีผิวพรรณเป็นมลทินยงงอย่างนูอย่างนี้ซึ่งมันน่าจะเหมาะสมกับการพูดกับเด็กหนุ่มเด็กสาวประเภทมือบอลและบอบอกว่าถ้าใครอยากจะมีผิวพรรณหน้าตาแจม่มใสใสจริงๆหรือว่าใครก็เห็นแล้วก็ต้องชะตาก็ต้องเป็นคนที่ไม่ทําอย่างนี้แล้วก็ทําความสะอาดเก็บขยงขยะอะไรแล้วก็มีที่สกปรกนี้แล้วก็ไปอแก้ไขเสียทําให้สะอาดสวยงามเราก็จะ มีหน้าตาผ่องใสก็พูดไปตำนองอย่างนี้อันนี้พอพูดแล้วก็มีคนก็บอกเอ๊ะนี่คิดเอาเองเขาปะคิดเอาเองเขาปะบอกไม่ได้คิดเอาเองหรอกถึงบางส่วนคิดขยายบางก็มีหลักการรับแล้วก็มีตัวอย่างรับรองคือตรงนี้และอย่างตัวอย่างของพระองค์นี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจึงชอบทําบุญในลักษณะเรียกว่าปฏิสังขรทําความสะอาด เพราะว่าบางทีไอไอการสร้างอะไรต่อะไรเข้ามาเป็นปูชนียะเป็นอะไรในทางศาสนาสร้างแล้วประเภททิ้งไม่มีงบประมาณทําความสะอาดบูรณะเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของของคนตะวันออกมาน่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนจะทําบุญอย่างนี้แล้วก็มีโอกาสเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นสมัยก่อนมีอย่างตามระเบียงวิหารโคตวัดมาธาตุวัดโพเนี่ยไปเก็บกวาดทําความสะอาดขัดพระพุทธรูปบาง แล้วมีคนที่ชอบทามากถึงขนาดออกเงินเดือนออกเนี่ยออกทุนรัพย์จ้างคนมาช่วยกันทาเลยคืออาจารย์เสถียนโพธิทนันทะท่ไปทาที่วัดโพเพราหไมยก่อนซึ่งทาแล้วมันสบายใจน่าทานะแล้วเราก็ทาเป็นนิสัยไปตอนไหนเจอไอ้ขี้ขยงขยะพอจะเก็บได้เก็บเจอขวดเก็บได้เก็บเจอเปลือกกล้วยหองเก็บเก็บได้เก็บ หัดให้เป็นซะอย่างนั้นไม่เป็นคนทําอะไรมักง่ายโดยเฉพาะในสถานที่ที่เป็นปูชนียสถานเรียกกฝากไว้เป็นคติแต่ว่าไอ้เรื่องอผิวพรรณวันหนาทางสรีละในเรื่องเล็กน่าจะเป็นเรื่องความสะอาดใจที่เราน่าจะปรารถนาเป็นข้อสมคัญแต่ข้อนั้นแหละก็อยู่ที่แต่ละคนพึงใจในอันไหนก็อันนั้น ใครคิดประสงค์อย่างไรก็ให้เหมาะแก่ตัวเองก็แล้วกัน น, น, นี้ก็เหมือนกับเจ้าหญิงโรหินีครับเนี่ยถ้าเจ้าหญิงโรฮีนีนี่ไม่ใช่แค่ธรรมดานะไม่ใช่แค่ข้าทาั้งความสวยงามแต่หมายถึงโลกผิวหนังเลยทีเดียวแล้วพี่ชายคือพระอนุรุธให้ขายเครื่องประดับซึ่งเป็นเรื่องเป็นการเสียสละวันนะ พรเครื่องประดับเนี่ยเป็นเรื่องของวันนะแล้วก็มาสร้างวิหารสร้างแล้วไม่พอต้องมาคอยปัดกวาดเช็ดถูทําความสะอาดเนืงนงเองๆโรคก็ค่อยๆหายหายหา ย, หายไปตามลําดับเพราะว่ากวาดปัดกวาดทีหนึ่งพระอริยะก็มาบริโภคลุงคณีวนันแล้วก็กวาดพระเรียกว่าปัดกวาดทีไรแล้วก็อายุของความสะอาดนั้นอยู่ เ, เท่ากับการบริโภคไปถึงตราบใดอา น, นิสงครอบคลุมไปถึงนั้น มันแล้วแต่ว่าไอ้การทําความสะอาดนั้นมีอายุถาวรแค่ไหนบางทีไอ้บางกรณีถ้าทําความสะอาดมีอายุถาวรเดือนหนึ่งเราได้นี่สงเดือนถ้าอย่างถ้าเป็นทําความสะอาดบ้านเนี่ยมันต้องทําทุกวันนะทําทุกวันอย่างนั้นก็อายุก็จํากัดหน่อยกรณีเจ้าหญิงโลฮีนีนะทําบ่อยๆเดือนหนึ่งสงถือว่าทําทุกวันนี่แล้วกัน ปุญก็เกิดบ่อยๆพระอริยาจาเจ้าก็เสพ บ, บริโภคบ่อยๆเหมือนใส่บาททุกวันอทีนี้เหตุที่ท่านมาบวชเนี่ยก็สมัยพระเจ้าเสเด็จเข้าไปสู่เมืองราชคริสในครั้งใดครั้งหนึ่งอ่าท่านเห็นพระเจ้าเสเด็จแล้วก็เลื่อมใสแล้วก็บวชบวชแล้วก็ทํากรรมฐานอยู่ในถ้าแห่งหนึ่งแต่ว่าท่านไม่ได้ประพฤติกรรมฐานอยู่ที่แคว้นมคตนะ ท่านไปประพติกรรมฐานอยู่ที่ถ้าแห่งหนึ่งที่แคว้นโกศลเมืองของพระเจ้าประสนทธิ <c oughs> แล้วก็ว่าวันหนึ่งมีเมฆฝนตกตอนนั้นอุตุเป็นสับปลายะจิตของท่าน ม, ามั่นคงตอนนั้นตรงนี้เราอ่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าอินเดียเนี่ยคงจะร้อนโอกาสที่อากาศจะสับปลายะแต่ละครั้งเนี่ยมันมีคุณค่าแก่การปฏิบัติธรรมมาก ใครได้โชยโอกาสหรือได้โอกาสจะอุตส่าห์บายะในตอนนั้นก็อาจจะบรรลุฌานบรรลุวิปัสสนาญาณมรรคผลได้ในตอนนั้นทีเดียวก็จึงบอกว่าพอฝนตั้งเขาอากาศเย็นโชยเข้ามากระทบให้รู้สึกสบายจิตท่านก็รวมตัวตั้งมั่นและบรรลุเป็นพระอรหันต์โดยลําดับในที่นั้นในโอกาสนั้น นี่เป็นประวัติท่านวิมลต่อไปอีกองหนึ่งห้าสิบเอ็ดท่านโคทิกะท่านโคทิกะองค์นี้นะคนละองค์กับโคทิกาที่ฆ่าตัวตายและบรรลุเป็นพระอรหันต์โคทิกะองค์นี้เป็นชาวแควนมันละที่เมืองปาวาเมืองที่อยู่ติดกับกุสินารานี่แหละครับเป็นพวกเจ้ามันละ เป็นลูกเจ้ามันละอ่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ได้มาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เพราะว่ า, ากับเพื่อนสามคนเดินทางไปที่กรุงกระบินลพัฒน์ซึ่งก็บังเอิญตอนนั้นพระพุท ธ, ธเจ้าไปเสด็จเยี่ยมพระญาติพอดีและการเสด็จเยี่ยมพระญาติพระผู้มีภาคได้ทรงทำปฏิหารสําคัญในที่นั้น อีกครั้งหนึ่งคือสังเกตว่าปฏิหารที่ทรงทำที่เรียกว่ายะมก็ปฏิหารเนี่ยเราก็รู้ว่าท่านทําเมื่อจะขึ้นไปโปรดพุทธมารดาแต่ปฏิหารที่ทําเมื่อจะขึ้นไปโปรดพุทธมารดาเนี่ยทําเพื่อป ร, รับเดลัจีแล้วก็ทําให้เกิดศรัทธาแก่บริษัทในที่นั้นแล้วก็เทสนาทำไปด้วย และยมกกับปฏิหารที่แสดงอีกครั้งหนึ่งนั้นแสดงก่อนหน้านี้เมื่อเสด็จไปเยี่ยมพระญาติเนื่องจากพระญาติยังถือทิฏฐิมานะด้วยสำคัญว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นลูกเป็นหลานก็ไม่ยอมเลื่อมใสศรัทธาในฐานะเป็นาศาสดาซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่การบรรลุธรรมคือยังเห็นพระเป็นลูกอยู่เนี่ยถ้าถืออย่างนั้นก็ ยังไม่ถึงพระยังไม่ถึงศาสดาพระพุทธเจ้าจึงทรงทรรมยมกกับปฏิหารเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์นั้นไม่ใช่ธรรมดาทีนี้อาการที่จะทำให้คนเห็นไม่ใช่ธรรมดาอย่างในทางศาสนาอย่างพลังพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าเราจะให้ธรรมะเลยเนี่ยเขารับไม่ได้เพราะว่าศรัทธาเขายังไม่มีศรัทธาเมื่อไม่มีธรรมะก็ปรากฏไม่ได้ ไม่ได้พาหะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้เห็นพลังความสําเร็จในธรรมได้อย่างง่ายๆที่เป็นสาธารณะแก่ตาโลกใดโดยโดยทั่วไปเนี่ยก็คือจะต้องแสดงพลังในทางกายภาพก็คือไม่มีอะไรดีกว่าฤทธิ์ฤทธิ์นั้นจึงเป็นเครื่องปลูกศรัทธาเครื่องทําลายมานะแก่ประชุมชนที่อ้างมานะโดยประการต่างๆเหมือนอย่าง ชา ด, ดินสามพี่น้องก็โดยเหตุผลอันหนึ่งอพญาติก็ได้เหตุผลอันหนึ่งเมื่อเห็นพระพุทธเจา้าแสดงยมกบริหารก็ยอมรับเลื่อมใสเลยว่าพระผู้มีพระภาคนั้นไม่ใช่ลูกหลานแต่เป็นาศาสดามีอนุภาพที่ควรเลื่อมใสอย่างเป็นาศาสดาก็มีจิตเลื่อมใสในฐานะ ที่เรียกว่าปลาหนึ่งว่าใจถึงสารณะพ <c oughs> ระพุทธเจ้าก็ทําให้ไปอยู่ระยะเลื่อมใสและแขกที่มาจากบ้านอื่นเมืองไกลที่มาเห็นก็พอพอยเลื่อมใสไปด้วย <c oughs> แล้วก็คณะของโคติกะซึ่งมีท่านสุภาหูท่านวัลลิยะหรือท่านวัลลีนะแล้วก็ท่านอุติยะสี่องค์สี่คนที่มาเป็นลูกเจ้ามัลละมาสู่ที่นี่ก็ ลอยเลื่อมใสไปด้วยแล้วก็ไม่ได้เลื่อมใสธรรมดาทั้งสี่นั้นเลื่อมใสถึงขนาดขอบวชและเมื่อบวชแล้วก็จะเริยนวิปัสสนาได้บรรลุเป็นพระหลานถึงพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่ทั้งสี่คนเลยครับทั้งสี่องค์เลยโดยแม่นานนักท่านว่าโดยแม่นานบรรลุแล้วก็พระก็บอกว่าอยู่ร่วมกันในป่า อยู่ร่วมกันเนี่ยกระหมาอมคว่าทํากุฏิอยู่ค น, คนละมุมแต่ว่าในอาณาบริเวณเดียวกันไม่ใช่ว่าอยู่กุฏิหลังเดียวกันสองค์นะและทั้งสี่องค์นี้เป็นพระภิณษุที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนนับถือมากขนาดอาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็เคารพนับถือชื่อเสียงกระเบือไปถึงพระเจ้าพิพีสารนึงกันนิ ม, มนต์ให้ไปจําพรรษาที่แคว้นของท่านเลยทีเดียวท่านทั้งสี่นี้ก็ไป ก็ปรากฏว่าไปแล้วก็เลยไปเป็นเหตุทำให้ฝนไม่ตกที่เมืองเลยเจรึกเพราะว่าไอ้กุฏิที่ท่านอยู่นั้นเกิดไม่มีหลังคาเลยต้องมาสร้างหลังคาให้ฝนจึงตกต้องตามปกติ <c oughs> คืออยเรื่องฝนก็เรื่องเดชะบุญของคนเนี่ย <c oughs> ก็เคราะหดีว่าเดี๋ยวนี้เรามีสถาบันกษัตริย์ที่มีเรื่องแปลกๆอย่างนี้ เราก็เลยเข้าใจเดชบุญของพระอริยะสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเรียกฝนได้อะไรได้พระอราหาันสมัยก่อนมีเรียกเรียกฝนได้แม้แต่พวกฤาษีปัจจุบันนี้ก็ยังทําได้เลยครับอย่าว่าแต่พระอราหันสมัยก่อนแล้วเวลาที่ท่านเหล่านี้ไปอยู่ไหน <c oughs> บางทีพวกเทวดาก็ทำไม่ให้่ฝนจะตกเนี่ยเทวดาที่ให้การกุ้งกรองก็ทำไม่ให้ฝนตกเลย ต้องมาทําหลังคาให้ผลจึงตกต้องในที่นั้นตามปกติได้ก็ทั้งสี่คนที่ได้มามาบรรลุทําร่วมกันแลเราค้นไปดูอดีตบุพกรรมท่านแล้วก็ปรากฏว่าเข้าตําราเหมือนกับกลุ่มบุคคลพวกอื่นคือทําบุญร่วมกันมาทําบุญร่วมกั น, กนมากับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ อ, อย่างที่ยกตัวอย่างไว้ก็คือพระพุทธสิทธัตถะ ที่เสด็จบินธบาตสีคนนี้เดินทางไปในที่นั้นเห็นพือเจ้าองค์เดียวกันในที่เดียวกันแต่และคนก็ขวนขวายอ่าด้วยประการต่างๆกันที่จะอะคนหนึ่งก็ตัตกข้าวใส่ใส่บาตรอีกคนหนึ่งก็ทำมัญชลีกรรมหาอะไรตออะไรมาบูชาคือพูดง่ายว่าใส่บาตรร่วมกันแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วครับเหมือนเราทําบุญร่วมกันแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ไม่ใช่ไปลุ้มแย่งกันที่จะจับทพัพพีแล้วก็ไม่ไม่ถือดอกไม้ทูบเทียนของหอมอประเคนท่านหรือบูชาท่านอันนี้ก็ช่วยอันไหนได้ก็ช่วยกันก็เป็นการทำบุญร่วมกันทําความปรารถนาไว้ร่วมกันจึงได้มาบรรลุธรรมร่วมกันนี่เป็นเรื่องของท่านโคติกะผ่านเลยไปคราวนี้เราพูดได้ถึงสี่รูป อีกสามรูปเลยทีเดียวรวมกันไปเพราะว่าอีกสามรูปที่เหลือนั้นก็คือเพื่อนของท่านโคติกะที่เป็นชาวเมืองปาวาแควนมันละลูกเจ้าเหมือนกันแล้วก็โอกาสในการเข้ามาบวชมาพบพระพุทธเจ้าก็ในคราวเดียวกันที่เดียวกันบวชพร้อมกันบวชแล้วก็หลบหลีกไปสู่ที่หลีกเล่น ปฏิบัติธรรมอยู่ในอนาบริเวณเดียวกันแล้วก็ได้บรรลุธรรมในเวลาและถ้าเราพูดโดยไม่แบ่งเอา เ, อาเอียกก็ในเวลาเดียวกันด้วยคุณสมบัติคุณธรรมของความเป็นอรหันต์เท่าเทียมกันทั้งสี่องค์เลยแล้วก็จะลิกไปไหนก็จะลิกไปด้วยกันเป็นสี่อรหรันต์ ที่ทำบุญร่วมกันไว้ท่านทั้งสี่นี้เวลาท่านกล่าวเรียกว่าบทประทับใจเมื่อท่านบรรลุเป็นพระอราหันต์แล้วกล่าวแตกต่างกันในบางส่วนเหมือนกันบางส่วนลองลองฟังดูนะท่านโคติกะ สุภาหูท่านวลิยะตุรยะเนี่ยท่านกล่าวคาถานี้เมื่อท่านมาที่แควนมคตโดยอรัถนาของพระเจ้าบิบิสารแล้วก็อยู่ในกระท่อมทีว่าทีแรกฝนไม่ตกนะตอนหลังก็มีฝนตกท่านท่านว่าอย่างนี้ครับท่านโคติกะท่านกล่าวว่าฝนตกลงมามีเสียงไพเราะดังเสียงเพลงขับ กุติของเรามุงดีแล้วมีประตูหน้าต่างมิตรคิดดีจิตของเราก็ตั้งมั่นดีแล้วถ้าท่านปรารถนาจะตกก็เชิญตกลงมาเถิดฝนอันเนี้ยผมถึงว่าอารหันกับคนบ้าเนี่ยไม่ผมไม่ได้พูดเสียงนรกนะแต่กําลังจะพูดเพื่อกระจาทาบซึ่งว่าอารหันกับคนบ้านี่อะไรหลายอย่างที่คล้ายกันแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือ พูดคนเดียวพูดคนเดียวเนี่ยถ้าเรามองกันแบบอากุศลเจตนามพรก็ใจนี้ก็ตรงนก็บ้าแต่พื้ไปแหละแต่พระอราหันต์ก็พูดคนเดียวพระพุทธเจ้าลงมาเลยทีเดียวพูดคนเดียวในโอกาสที่ท่านมีความรู้สึกในธรรมพูดคนเดียวแย้มผระสวนยิ้มคนเดียวอะไรเหมือนอย่างคนที่ได้อารมณ์ในธรรมดีๆ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นเรื่องบาปอย่างคนพูดกับฝนนี่แหมมันมันก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องพาส่งลรงพยาบาลนยนะพูดกับฝนแต่ที่ท่านพูดเนี่ยไม่ใช่ท่านนึกว่าฝนน่ะรู้ภาษาแต่ท่านพูดอย่างชนิดที่อาศัยเป็นเครื่องพูดกับตัวเองพูดแสดงอารมณ์ของตัวเอง โอ้ฝนตกเราก็ไม่กลัวแล้วอะไรทำนองนีน้ตกมาไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่าพระหลานเนี่ยมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเสมอกันเป็นผู้ที่น่าเอ็นดูน่าเมตตาไปหมดทีนี้มาถึงท่านซะท่านสุภาหูบังท่านกล่าวเนื้อความในเบื้องต้นเหมือนกันว่าฝนตกลงมา มีเสียงไฟล้อเหมือนเพลงครับแล้วก็มีข้อความที่ต่างก็คือบอกว่าจิตของเราตั้งมั่นดีแล้วถ้าท่านป ร, รารถนาจะตกก็เชิญตกลงมาเถิดอ่าตรงนี้เกิดเหมือนกันนะสององค์นี้เหมือนกันอ่าท่านวัลยะกล่าวเนื้อความส่วนต่างว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในกุฏินั้นถ้าท่านป ร, รารถนาจะตกก็เชิญตกลงมาเถิด อีกส่วนต่างก็คือเราเป็นผู้ไม่ประมาทสององเมื่อกี้บอกว่าเรามีจิตตั้งมั่นดีแล้วอท่านอุตติยะกล่าวในส่วนต่างว่าเราเป็นผู้เดียวไม่มีเพื่อนอยู่ในกุฏินั้นถ้าปรารถนาจะตกก็เชิญตกลงมาเติร์ดนี่ก็เป็นส่วนคือคำพูดที่ท่านพูดมีความหมายลึกทางนั้นผมไม่ประสงค์จะอธิบายอธิบายแล้วก็ต้องเท้าความไปกันเยอะ ควมหมายที่พูดว่าจิตตั้งมั่นดีแล้วคืออะไรไม่ประมาทคืออะไรอยู่คนเดียวคืออะไรเราจึงผ่านพระ <c oughs> ทั้งสี่องค์นี้ไปต่อที่องค์ห้าสิบห้าชื่อว่าท่านอัญชนะนวนิยะท่านผู้นี้เป็นชาวเมืองเวสาลีแควนวัดชีแล้วก็เป็นลูกเจ้า คือเจ้าลิชเจ้าลิชวีนั่นเองครับก็มาบวชเนี่ยบวชเพราะเมื่อพระผู้มีพระภาคสเสด็จเมืองเวสาลีครั้งแรกเลยทีเดียวอพระพุทธเจ้าสเสด็จเมืองเวสาลีเมื่อพระองค์มีอายุพรรษาได้ห้าพรรษาคือหลังจา ก, จากสัตว์ลูกห้าพรรษาแล้วและสาเหตุที่สเสด็จนะครับเพราะว่า <c oughs> พวกเจ้าลิชวีเนี่ยมี อความประสงค์หรือมีความทุกข์ความเดือดร้อนในฐานนะผููเป็นเจ้าบ้านผ่านเมืองอันหนึ่งว่าบ้านเมืองตอนนั้นเกิดทุพพิกระไพเพราะทุพพิกระไพเนี่ยครับทให้เกิดภัยอย่างอื่นตามมาอีกสองภัยทุพพิกระไพรนะเกิดจากฝนไม่ตกฝน ไ, ไม่ตกก็เข้ายางหมากแพงคนก็อดอยากตายกันอ่าเปื่อนเมื่อตายแล้วก็ปรากฏว่าพวกอมนุษย์เข้ามาเพ่งผ่านก็ไอ้พวกตายทํานองว่าปีสิงอะไรต่อะไรเงี้ยนะคนตายเยอะ ก็อย่างที่เรานึกๆเกข้าใจกันน่ะก็เป็นเป็นอะมนุษย์ภัยและเมื่อคนตายมากโลกก็ระบาดเป็นภัยสามภัยที่เกิดขึ้นแก้ไม่ตกห า, า, าหาสาเหตุในทางเรียกว่าคุณธรรมของผู้ครองบ้านครองเมืองว่าผิดศีลปาก็ไม่มีก็จึงเห็นว่า เวลานี้พุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วทรงประทับอยู่ที่แควนมคตทําอย่างไรจรึงจะทูลเสด็จมาที่นี่เพื่ออนุเคราะห์แก่พวกเราก็จึงส่งมหาลิที่ชอบพอกับพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยพวกลูกชายโปรโรหิตเนี่ยไปกันไปขอให้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทูลเสด็จพระพุทธเจ้ามาสู่ที่นี่ก็ได้รับความอนุเคราะห์ พระเจ้าวิวิษณนะ์นพามาส่งถึงแม่น้ำคงคาท่าดียก้ามาเมืองเวสลีพวกข้างฝ่ายเมืองเวาลีก็ไปเตรียมต้อนรับอย่างดีพระเจ้าก็เสด็จไปเสด็จไปแล้วก็ทรงทาพิธีปราบภัยสามประการนี้ด้วยให้พระอานอนท์สวดรัตนะสูตรรัตนะสูนตรนะ่ะเป็น พระสูตรยาวสักสามหน้ากระดาษกว่าๆอยู่ในพระไตรปฎกเล่มที่ห้าที่เกี่ยวกับการอัญเชิญเทวดาท้องที่แล้วก็ตั้งสัตว์ด้วยคุณภรศรีรัตนตรยัยแล้วก็สัตว์ที่จ้้งนั้นก็เป็นสัตว์ที่ตั้งเพื่อผลอันจะพึงเกิดขึ้นแก่เหล่าสัตว์ที่ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นการแผ่เมตตา เป็นการตั้งสัตว์ด้วยเมตตาเพื่อผู้อื่นไม่ใช่สัตว์เพื่อตัวเองแล้วพระผู้มีภาคก็ปราพรมน้ำพุทธมนต์ด้วยถือบาทประพรมไปตามรอบๆกำแพงเมืองเมืองเวสาลีมีกำแพงอยู่สามชั้นพระพุทธเจ้าต้องเสด็จปราพรมน้ำพุทธมนต์ถึงสามสามวันนะถึงถึงทั่วเมือง เขากำแพงสามชั้นทำอยู่สามวันก็คงไม่ใช่ว่าหามรุ่งหามค่ำแลในที่สุดก็ทุกสิ่งทุกอย่างสงบราบคาบผลฟ้าตกต้องตามระดูการทันทีจากการที่ทรงเสด็จไปปราบทุกเข็นให้แก่เมืองเวลยดีในกลางนี้แ่ะครับเป็นการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่บุคคลทุกชั้นวรรณะเลยทีเดียวเห็นอนุภาพอุตตเจ้าเลยเพราะว่า เมืองเวสาลีเนี่ยแต่ก่อนนับถือนิครณนาตบุตรมหาวีระเนี่ยเป็นลูกเชื้อสายกรรษัตริย์เมืองเวสาลีเพราะฉะนั้นคนเมืองเวสาลีจึงนับถือศาสนาของนิครณนาตบุตรมาก่อนเมื่อพรุทธเจ้าไปเสด็จครั้งเดียวเนี่ยเรียกว่าทีเดียวเนี่ยครับสร้างประดิษฐานพุทธศาสนาใน เมืองเวสาลีให้ปรากฏทันทีแล้วก็ได้วัดวัดหนึ่งเป็นวัดแรกในเมืองเวสาลีทันทีคือกุกุตารามซึ่งจะได้ฉายรูปให้ดูแล้วก็เล่าให้ฟังในวันพรุ่งนี้ที่ปรานิพพานเหตุการณ์ที่ทรงเสด็จไปตอนนี้มีคนเลื่อมสายตามออกบทเยอะแล้วก็ในจำนวนผู้เลื่อมสายถึงตามออกบทคนหนึ่งก็คือท่านอัญชนะวริยะนี่แหละครับ แต่จะเรียกง่ายๆคือท่านอัญชนะวันคือท่านที่อยู่ที่ป่าอัญชนะวันเมื่อออกบทแล้วก็อยู่ที่ป่าอัญชนะวันจ น, จนเขาเรียกชื่อท่านว่าท่านผู้อยู่ที่ป่าอัญชนะวันกลายเป็นชื่อท่านป่าอัญชนะวันที่ท่านอยู่ท่านอยู่เมืองสาเกตไม่ได้อยู่ที่เมืองเวสเว ล, ลียเมืองสาเกตซึ่งเป็นเมืองหลวงเดิมก่อนเมืองสาวัตถี ของแคว้นโกศลในปัจจุบันปัจจุบันคือในสมัยวุฒเจ้าเนะี่ยก็กุฏิที่ท่านอยู่เนี่ยก็ท่านก็ค่อนข้างจะเคร่งมากถืออาทุ ด, ดงข้อที่เรียกว่าไม่นอนเนี้ยคือนั่งเป็นวัดและวิธีของท่านเนี่ยท่านก็ไปหาสั่งที่เข้ามาทิ้งแล้วในประชาที่หามตบมา แล้วก็เอามาตั้งบนลานหินเอาหินหนุนให้ตังพอพนหัวและตังนี่มันเป็นตังนั่งนอนไม่ได้นั่งได้อย่างดีก็แค่เอาหลังพิงก้อนหินได้บ้างแต่นอนไม่ได้แปลว่าประพฤติความเพียรอย่างอุกฤษและท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในท่านั่ง ประวัติระบุว่าภายในเดือนแรกทีเดียวภายในเดือนแรกก็คงจะสองสามอาทิตย์เั่นแหละครับวันนี้อาจารย์นิสาขอให้จบการบรรยายเร็วหน่อยได้ยินว่า